เทศของท่านพระอาจารย์มหาบัวยานัซัมปโนแสดงที่วัดป่าบ้านตากจังหวัดอุดรธานีเมื่อคืนวันที่17เมษายน2509เราผูเา้เริ่มปฏิบัติธรรมเริ่มศึกษา ยอมอาศัยครูอาจารย์ที่ท่านเคยดำเนินมาเลยเป็นแบบสมับท่าดำเนินเหมือนดังเด็กที่ยังไม่เริ่มปฏิบัติและเริ่มศึกษาเบื้องต้นต้องอาศัยครูอาจารย์ เป็นผู้นำเพราะเราไม่สามารถเพียงเดียวกับเดต้องอาศัยผู้ใหญ่ตอนที่ยังไม่มีความสามารถมีความรู้วิชาและหน้าที่การงานที่จะทงแต่หลักของกัตริยาหนาฤ้ธิ์จะเป็นความละเอียดมาก คณะต้องคอยแนะนํากันอยู่เสมอส่วนอยากซึ่งมองเห็นด้วยตาเนี้ยก็พอจำได้หรือได้ยินด้วยหูแล้วจำํจำคนได้้จํำคนได้มี่ก็ไม่ไข่ทะลายนะประเด็นส่วนเกีเ่ยวกับใจมีเป็นเรื่องสําคัญกานโกรธ ได้ทําความเข้าใจกับตนเองเสมอว่าเวลานี้เป็นเวลาที่เราได้รับการอบรมศึกษากับครูอาจารย์ลองดูให้ชัดฟังให้รับแล้วนำสิ่งที่ฟังและที่เห็นแล้วนั้นเข้าไปากาลึกไว้ในจิตใจ เพื่อเป็นภาคปฏิบัติต่อไปอยาให้เกิดความเคยชินว่ามาอยู่กับท่านเป็นเวลานานแล้วเราเข้าอกเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านพาดันงงพาเป็นความพาความคิดเป็นจินนี้เยกว่าเป็นความเข้าใจผิดโดยเจ้าตัวไม่รู้ เพราะสิ่งหยาบๆที่ท่านเคยสอนแล้วเรายังมีความผิดพลาดให้เห็นต่อหน้าต่อตาอยู่ไหนเราจะไปนอนใจดิสําคัญตนว่าได้เข้าอกเข้าใจในข้อปฏิบัติที่ได้รับการศึกษาและได้เห็นได้ยินจากท่านแล้วได้อย่างไรขาดที่อยู่กับครูอาจารย์ รู้สึกว่าเป็นความสะดวกแน่จะมีภาระมากน้อยที่เกี่ยวกับทางวัดจะต้องจัดต้องทำด้วยความจําเป็นก็ท่ า, ทางแต่ทางด้านจิตใจที่เราจะดำเนินมีความรู้สึกอันหนึ่งที่ฝังอยู่ภายในใจว่าเป็นความอบอุ่นไม่เป็นภาระอะไรเพราะเข้าใจได้ว่าเมื่อมีความผิดพลาดอันใด หรือไม่เข้าใจก่าศึกษาแต่ถามกับท่านละ่ะมีเป็นความเบาใจของเราแต่เวลาจากครูอาจารย์ไปแล้วหรือท่านจากเราไปแล้วจะเป็นจากด้วยความเป็นหรือความตายก็าตามมีรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่หนักมากเพราะจะมองหาใครที่จะมาคอยชี้ช่องบอกทางให้รู้ไม่มี นี่ผมในเคยผ่านมาแล้วเป็นรู้สึกว่าฝังใจมาจนกระทั่งัดนี้นเวลาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นมีความเย็นอกเย็นใจเคอข้อคองใจเมื่อไรเราจะอยู่ที่ไกลที่ไกลไม่สำคัญไปหาท่านจนถึงที่แล้ว น, นับความเบาใจมา พอท่านมาณภาพไปแล้วเท่านั้นแม้ปัญหาเพียงข้อเดียวจะพยายามแก้ไขด้วยตนเองยังไม่สามารถได้ตามต้องการต้องทําให้เวล่ามเวลาผ่านไปเสียทั้งหลายวันหลายเดือนก็มีในปัญหาบางข้อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทําความเลื่อนช้าให้แก่เราที่เราจรึงได้จำเล็กตัวว่า เวลาเราอยู่กับครูอาจารย์เราอาจจะนอนใจไม่ได้รีบเรงตระหน่งว่าปัญหาเช่นนี้จะไม่ปรากฏในใจเราเลยแต่พอได้ปรากฏขึ้นเท่านั้นและหาผูกแก้ไขไม่ได้จึงมาเห็นโทษตัวเองนีทุกท่านที่มาอบรมศึกษาก็จะต้องผ่านไปในทางสายเดียวกันหรือเดินไปตามทางสายเดียวกัน เรื่องของกิเลสทุกประเภทที่มีอยู่ภายในใจจะต้องแสดงขึ้นมาตามโอกาสที่ควรจะแสดงได้มากน้อยธรรมะที่จะนำมาแก้ไขนั้นบางทีก็ทันท่วงทีบางทีก็ฟ้าไม่เจดทั้งทั้งที่เราได้รับการอบรมศึกษามาจากท่านและท่านก็เคยแนะนำตักเตือนสั่งสงอนในธรรมะแห่ง น, นั้นเสมอเขายังจำไม่ได้ มีแก้ไขไม่ ท, าทําทำให้เสียเวลาเวลาเพียงเสียเวลายังดีบางรายยังอาจจะเกิดความเห็นผิดขึ้นไปตามสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายในใจก็มีขอให้ท่านทุกท่านพากันทำความเข้าใจาไว้ เ, เวลานี้เราตั้งใจงมารมศึกษาด้วยกัน ต้องทำให้ถึงใจทุกอย่างจิตภายนอกการางานภายในอยากเข้าใจว่าเป็นของเล็กน้อยจิตทุกอย่างต้องเคลื่อนไหวออกจากใจเป็นผู้สั่งการสั่งงานกายวาจาก็ต้องได้ดำเนินไปตามถ้าจิตมีความผิดพลาดหรือจิตไม่ตั้งจิตไม่แน่แน่การงานก็จะไม่สาเร็จลงด้วความเยียบ้อย ในขณะเดียวกันสติที่จะปรากฏผลขึ้นมาเพราะปิการนั้นๆก็ไม่มีเรื่องของสติจะต้องอาศัยฝึกไปตามการงานข้างนอกข้างในความเคลื่อนไหวไปเกี่ยวข้องกับอะไรเรื่องของสติมีการฝึกกันไปพร้อมๆทุกสิ่งที่ได้รับการบำรุงเสมอย่อมมีกำลังเมื่อเป็นเช่นนั้นสติคือความระลึกรู้ ที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตนก็ย่อมจับตามกันทันเสมอเมื่อได้รับการบำรุงเสมอแล้วความเคลื่อนไหวของใจซึ่งเป็นส่วนละเอียดเมื่อสติได้อยู่กับตัวแล้วก็สามารถจะทราบได้อีกเหมือนกันเมื่อเรามีทางทราบได้เราก็มีทางที่จะพยายามแก้ไขได้เช่นเดียวกันแม้จะแก้ไขไม่ได้ในขนาดนี้ ก็ต้องแก้ไขได้ในวาระต่อไปเพราะอำนาจของสติมีความตรจ อ, อมีความตรจ่อเสมอปัญญาที่เคยคิดเคยตรองถึงจะผิดบ้างถูกบ้างตรองหลายครั้งหลายหนก็มีความ่ํำชองและทันท่วงทีได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมาชาติที่จะต้องมีความเจริญขึ้นด้วยการอบลมหรือบารุงเสมอ เรื่องใจเป็นเรื่องสําคัญสาหรับผู้ปฏิบัติศาสนาอย่าทำใจให้บกแวกคอนแคร์อย่าทำใจให้เป็นคนจับจดเพราะหลักธรรมไม่ใช่ทำจับจดไม่ใช่ทำบกแวกคอนแคร์ไม่ใช่ทาไม่มีเหตุผลไม่ใช่ทาเสียบครานไม่ใช่ทาที่จะคล้อยตามใจของบุคคลผู้มีชีเลยแต่ธรรมต้องเป็นธรรมเสมอมีความคงที่อยู่ตาม ธรรมชาติแห่งธรรมไม่เช่นนั้นธรรมจะเป็นแบบระบับอันดีหรือเป็นที่พึ่งของโลกไม่ได้จะต้องกลายเป็นโลกประดมตามโลกเสียหมดหาธรรมไม่มีนี่ก็เพราะว่าธรรมย่อมเป็นธรรมอยู่เสมอไปนั่นเองคือคงเส้นคงมาอยู่เช่นนั้นทั้งที่โลกจะเสื่อมหรือโลกจะเจริญเราจะเสื่อมหรือเราจะเจริญ เราจะดีจะชั่วประการใดทรรมต้องเป็นธรรมหากผู้มีความฉลาดพยายามฝึกหัดดัดแปลงตนเองให้เป็นไปตามแถวแห่งธรรมแล้วจะเป็นผู้มีความเจริญไม่ว่าทางโลกและทางธรรมเพราะธรรมมีหลายประเภทธรรมสำหรับโลกผู้ครองเรือนก็มีธรรมสำหรับผู้เป็นนักบวชก็มีเป็นชั้นๆไม่ใช่เป็นธรรมประเภทเดียวเพราะ ทำออกจากท่านผู้ฉลาดได้แก่พระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าที่กรัดเสรู้ขึ้นมาแต่ละองค์ระองค์ถ้าไม่มีความฉลาดจนพอตัวแล้วจะไม่สามารถรู้รอบพอบเรื่องภายนอกภายในจนกลายเป็นโลควิทูขึ้นมานะคำว่าโลกวิทูคือรู้แจ้งหินจริงเรื่องของโลกโดยชัดเจนด้วยเหตุผลโดยไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องติด บ, บงังลี้รับ พระปัญญาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆเมื่อมีความฉลาดพอตัวธรรมะที่แสดงออกมาจากใจที่มีความบริสุทธิ์และความฉลาดนั้นย่อมเป็นธรรมะที่จะยังบุคคลให้ฉลาดเมื่อปฏิบัติตามไม่มากก็ต้องน้อยและเป็นผลตอบแทนเสมอไปต่อผู้ปฏิบตัติไม่เช่นนั้นไม่สมนามว่าธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นมัตติมา คือมีความสม่ำเสมออยู่ตลอดการการสั่งสอนหมูเพื่อนก็ได้สั่งสอนมาเป็นเวลานานการสั่งสอนทั้งหมดได้สั่งสอนด้วยความจงใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดแห่งธรรมไม่ว่าจะเป็นจิตข้างนอก งานข้างในได้สอนลงเต็มสติกำลังความสามารถและด้วยความจงใจสอนแล้วย่อมสังเกตผลจากงูเกลือนเสมอว่าจะได้ผลเพียงไรทำทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่สังเกตผลไปด้วยแล้วจะไม่ทราบว่าผิดหรือถูกดีหรือแั่วอย่างไรต้องคอยสังเกตเสมอมีบรรณาครูอาจารย์ที่สั่งสอนลูกิจ ก็ต้องคอยสังเกตผลลายไดจากลูกศิษย์ยกตัวอย่างเช่นคำว่าปัญญาสอนให้มีความฉลาดรอบข้อตอนนาที่ของพระคือข้อวัดอฏิบัติภายนอกเกี่ยวกับเรื่องความฉลาดภายในมาท่านผู้ใดจะมีความแยบคายคนคิดหามาได้ เป็นสมัติของตัวแล้วนาออกแสดงให้ทราบหรือกิิยาอาการใดที่แสดงออกมาแม้จะเป็นความฉลาดแต่กิริยาอาการนั้นแสดงออกมาจากใจของตัวเองหรือยึดได้จากครูอาจารย์ที่สอนนี่ก็พอทราบได้การหยิบยืมไปจากท่านมีวันหมดสิ้นไปได้และหลุดมือไปได้ เพราะนั้นท่านจึงสอนเพื่อให้สั่งสมรลอพยายามขวนขวายให้เกิดมีขึ้นในตนตั้งแต่ส่วนเล็กจนถึงส่วนใหญ่นี่เป็นสมบัติของตนแท้และสามารถจะรักษา ต, ตนได้ทั้งทันกับเหตุการณ์ที่มาเกี่ยวข้องไม่ต้องไปคว้าที่ไหนเพราะการอบรมพติปัญญาอบรมอยู่ทุกวันมีความฉลาดขึ้นทุกระยะ เราต้องทำให้เป็นแบบฉบับของเราอยากให้เป็นที่ตำหนิติโทษตนได้ว่ามีการย่อหย่อนที่ตรงไหนถ้าเราตำหนิเราว่าได้ว่าเราย่อหย่อนที่ตรงไหนตรงนั้นคือค่าสิบของเราอยู่นั่นเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็คือค่าศึกนั้นขวางหน้าหาเวลาที่จะประกอบความดีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไปไม่นานถ้ามันพยายามแก้ไขจนค่าศินั้น ได้เบาลงไปแล้วหมดไปเวลานี้มีอะไรที่เป็นข้าศึกต่อเราการนั่งภาวนานั่งทุกคืนทุกคืนทำไมจึงไม่ปรากฏผลเป็นความสงบขึ้นมาเป็นเพราะเหตุ อ, อะไรควรจะค้นหาสาเหตุที่มาของความไม่สงบว่าเป็นขึ้นจากอะไรผู้ปฏิมาเพื่อธรรมะต้องค้นหาเหตุหาผลจนทราบชัดไม่ทราบชัดก็นั่งไปอย่างนั้น นั่งหลับด้วยสับ ต, ตองอกแล้วยังไม่แล้วหลับตกกุติไปก็มีดูสิมันเป็นยังไงถึงเป็นอย่างนั้นแล้วยังไม่ทราบสาเหตุว่าการที่ตกกุติไปเพราะอะไรเพราะห่วงนอนการง่วงนอนเป็นเพราะอะไรเพราะความเพียรอ่อนแอไม่ใช่เป็นเพราะอะไรใจอ่อนแอความมีความย่อหย่อนประจำใจมีความอ่อนแอประจำใจ ถ้ามีใจเข้มแข็งแล้วสิ่งเหล่านี้จะมีอำนาจไปไม่ได้เพราะต่างคนก็ได้ดำเนินมาในทางสายเดียวกันความง่วงเหงาห้องนอนก็นเราตั้งเคยเกิดมาอยู่กับที่หลับที่นอนมันจะไม่ง่วงได้อย่างไรมันต้องง่วงเหมือนกันเพราะเคยหลับเคยนอนมาแล้วตั้งแต่วันเกิดแต่เวลาที่เราตื่นก็ยังมีตามธรรมนาคนนอน นับตอนกลางคืนนัตื่นตอนกลางวันทำงา น, นกลางคืนเราก็นับกลางวันเราก็นับกลางคืนก็สับประงกกลางวันก็สับประงกและกระวาตัวภาวนาภาวนาหาอะไรอย่างนั้นถ้าภาวนาแบบนี้ภาวนาจนวันตายไม่เห็นผลเพราะภาวนาเพื่อหลับนี่ไม่ภาวนาเพื่อรู้อัตลูทำและรู้เหตุรู้ผล ที่เกิดขึ้นจากความง่วงเหงาห้านอนจนถึงกับมันหลับไปการพิจารณาทําให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้เราจะพิจารณาอะไรสิ่งเหล่านี้คือความบกพร่องประจําตัวของเราวันนี้เคยเป็นเช่นนี้ถ้าแก้ไขกันไม่ได้แล้ววันหน้าก็ต้องเป็นเช่นนี้เดือนหน้าปีหน้าตลอดการแห่งอายุไขของเราจะต้องเป็นการทำลองนี้ไม่มีท้นดีผู้ฝึกหัดดัดแปลงตนเองต้องดูจุดบกพร่องของตัว เช่นเกิดความง่วงเหงาขึ้นเอานอนขึ้นมาหาจะแก้ไข ย, ยังไงลงเดินจงกรมหาลงเดินจงกรมแก้มันยังไม่หายเอาหาเรื่องเข้าไปอีกไปหาสถานที่กลัวัวมันจะเป็นยังไงเมื่ออุบายวิธีทันมันก็หายไปจากนั้นความนี้จะทนต่อสู้เราไปไม่นานลยมากความง่วงเป็นเกิดขึ้นเพราะอาหารตัดทางอาหารลงไป มันเพราะฉันมากกินมากมันก็ห่วงลดน้อยลงไปมันจะไปยังไงสังเกตดูความห่วงเหงาน้อนก็เบาลงไปเบาลงไปนี่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วถึงนไม่นํามาสอนหมู่เพื่อนวิธีการที่ตัดดัดแจงตนเองได้ทํามาตามส่งคว ร, รเรยวว้ว่าเต็มสติกําลังความสามารถเมื่อ น, นํามาสั่งสอนหมู่เพื่อนผู้ที่มาศึกษาแสดงออกอย่างไรจะไม่ทราบได้ยังไง ก็เราก็เป็นมาเช่นนั้นเหมือนกันเคยหลับเคยนอนเคยง่วงเหงาเฮานอนมาเช่นเดียวกันเคยอ่อนแอมาเหมือนกันและเคยเข้มแข็งมาเหมือนกันเคยโง่มาเหมือนกันแล้วเคยหาอุบายแก้ความโง่ได้เป็นบางแขนแขนมาเป็นระดับเหมือนกันจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้ากเรายังจะเห็นความง่วงเหงาเฮานอนเป็นของดีของสมาอยู่แล้ว เราก็มาเห็นธรรมะซึ่งเป็นของแปลกประหลาดและอัศจรรย์ทั้งมีคุณค่ายิ่งกว่าเรื่องเหล่านี้ไปได้ไปที่ไหนก็จะเป็นแบบเดียวกันนั่นมีโปรดพากันเข้าใจกับเรื่องของตัวเองซึ่งแสดงอยู่ตลอดเวลามีอยู่ภายในใจการเรียนธรรมะเราเรียนเพื่ออะไรถ้ามาเรียนเพื่อความฉลาดความฉลาดก็คือจะรู้เรื่องของตัวเองแสดงขึ้นมา เรื่องอะไรก็ต้องรู้กันไม่รู้ไม่รู้จักวิธีแก้ไขตัดแต่แงตนเองต่อไปได้แล้วใจจะก้าขึ้นสู่ความเจริญไปไม่ได้เหมือ น, นกันปฏิบัติเอาตั้งแต่ความเมแตาเข้าไปเป็นหัวหน้าเยียบย่ําความเพียนให้ล ด, ลดลงไปลดลงไปจนไม่ปรากฏความเพียนคือความมีสติปัญญาประจำใจเลยจากนั้นก็จะหาเรื่องมาเ่านี้บําเพ็ญ เพียนมาเวลานานแล้วไม่ปรากฏมรรคนิพานหยุดจะดีกว่าแล้วหยุดไปแล้วจะได้อะไรมั่งเราก็ไม่ได้ทำหนึ่งเพราะเรื่องความโง่มันต้องเป็นทําการเยียบย่ำตัวเองเสมอไปอยากเข้าใจว่าความโง่จะทําเราให้มีเกียรติจะทําให้เรามีความฉลาดจะทําให้เรามีความแหลมคมภายในใจิตใจจนสามารถแรก้ที่เหลือได้ที่ไม่มีผลเป็นสาเหตุหลายมีเราขาดเหตุผลตอนนี้ เรามีบกช่องที่ตรงไหนจึงไม่มีผลเรานั่งภาวนาคืนหนึ่งใจของเราเป็นยังไงเราดูใจหรือดูอะไรมัง่งถ้าดูใจแล้วขณะที่นั่งภาวนาใจคิดไปอย่างไรบ้างแล้วได้หาอุบายแก้ไขดัดแปลงหรือทรมานจิตใจให้หายพย์ดได้ด้วยวิธีใดบ้างจนปรากฏเป็นผลขึ้นมามาจากใจมีอะไรมัง่งเราต้อง ท, ทดสอบดูเรื่องของเรานี่ชื่อว่าผู้ภาวนาต้องเป็นอย่างนี้เรื่องมรรคผลมิพานนั่น เราไม่ต้องพูดจะหนีจากหลักของเหตุไปไมนไดความหนับมันก็เกิดขึ้นมาจากความง่วงใชก่อนนั่นมันยังมีเหตุความม่วงมีอะไรเป็นสาเหตุอีกทีนึ่งนั่นตั้งแต่ยังโลกๆอย่างนี้มันก็ยังมีสาเหตุติดต่ อ, อกันไปเรื่องมาผลนิพพานยิ่งเป็นเรื่องของธรรมะจะไม่มีเหตุผลโดยสมบูรณ์ไปเป็นลําดับจะจัดว่าเป็นธรรมะที่ถูกต้องและจัดว่าเป็นสวภาษิตธรรมคือพระพุทธเจ้าตรัสได้ชอบแล้วชอบแล้วได้อย่างไร เราต้องนํามาทดสอบตัวของเราไม่เขินนั่นจะหาทางออกไม่ได้ใจไม่เหนือจากการฝึกฝนทรมานการทรมานตัวเองฝึกฝนตัวเองต้องดูกําลังของตัวกําลังของสิ่งที่เป็นค่าศึกค่าศึกมันแสดงขึ้นมากกําลังความเพียรมีน้อยไม่พอกันเราต้องเพิ่มกําลังกันเข้าปัดจนเห็นผลประจักษ์ขึ้นมาเพราะความเพียรประเภทนี้แล้วจําไว้ทีหลังก็ดัดกันเข้าไป ถึงจะทันกับเหตุการณ์ที่แสดงขิ่นตับตัวแล้วสามารถครอบสิ่งที่เคยเป็นข้าสึกนั้นถ้าอยู่ในเงือ้อมมือเราได้ไม่มาแสดงอย่างโลดโผนเช่นนั่นอีกต่อไปนี่ชื่อว่าความเพียร น, นี่ชื่อว่าอุบายของคนฉลาดชื่อว่านำธรรมะซึ่งเป็นเครื่องฉลาดสอนคนให้ฉลาดเข้ามาปฏิบัติคนจิเราต้องคิดอย่างนั้นต้องปฏิบัติอย่างนั้น ความเข้าใจของเราว่าเราทําความเปลี่ยนเดินจงกรมกลับกลับไปกลับมาเราก็ว่าเป็นทําความเปลี่ยนแต่เรื่องของสติที่ประจําใจนั้นมีหรือไม่หรือเดินก็เดินเพื่อคิดเพื่อปรุงเพื่อแต่งเพื่อพุ่งเฟอ้อเหอเหิมนั่งก็นั่งอย่างพุ้งเฟอเหอเหิมเดินก็เพื่อพุ้งเฟอเหอเหิมมีแต่ความพุ่งเฟอเหอเหิมประจําใจอยู่ตลอดเวลาจะหาความเปลี่ยนที่ไหนมีไม่มี ถ้ามีสติคอยสังเกตตสอดรู้กับอาการของใจที่แสดงขึ้นมานั่นแหละที่ว่ามีความเพียรการนั่งอยู่ที่ไหนเดินอยู่ที่ไหนผู้นั้นชื่อว่าผู้มีความเพียรเพราะรู้เหตุรู้ผลซึ่งเกิดขึ้นจากตัวพูดง่ายก็คือว่ารู้เรื่องของตัวคนมีทางรู้เรื่องของตัวก็มีทางแก้ไขตัวได้กลายเป็นความสุขขึ้นมา อุบายผลตนเองไม่ใช่มีเพียงเล็กน้อยสิ่งที่เป็นขาติดต่อเราก็ไม่มีจานวนน้อยแสนกนมายาอยู่นั่นหมดหากปัญญาไม่ฉลาดทันก็ต้องยอมแพ้ทุกๆเวลาทั้งทั้งที่นั่งภาวนาอยู่ก็ยอมแพ้เดินจงกรมอยู่ก็ยอมแพ้ที่เราเข้าใจว่าเราทําความเพียรอยู่นั่นแหละก็เป็นความแพ้อยู่ในตัวนั้น เพราะไม่มีสติเพราะไม่มีปัญญาเป็นเครื่องพิจรารณาผูจะทรงศาสนาต้องเป็นผู้ฉลาดทรงศาสนาคืออะไรศาสนาอยู่ที่ไหนเราต้องทราบก่อนตอนนี้ศาสนาแปลว่าคำสอนพระพุทธเจ้าท่านสอนลงที่ไหนสอนให้แก้อะไร อะไรเป็นค่าศึกกับธรรมะท่านจึงสอนให้แก่ในขณะนี้อะไรเป็นค่าศึกกับเราเราจึงต้องนําธรรมะมาแก่เราต้องแก้ปมนี้ให้รู้เสก่อนสิ่งที่ท่านเคยตําหนิว่าเป็นค่าศึกต่อเราเวลานี้มีอยู่กับเราหรือไม่นั่นแลคือค่าศึกของเรานั่นแลเป็นค่าศึกของธรรม เราเรียนทำเราปฏิบัติทำไม่ปฏิบัติไม่แก้ไขสิ่งเหล่านี้ไม่จัดว่าเรียนทมและปฏิบัติทำเราต้องแก้ลงที่จุดนี้จะอยากล้ำมากการรักษาด้วยอำนาจออด้วยการรักษาสติการคิดด้วยปัญญานี้พระพุทธเจ้าไม่ถือว่าเป็นภาระที่จะสอนสัดให้รีกเว้นความเพียงแต่สอนให้มีความหนักแน่น ให้มีความขยันหมั่นเพียรมีหลักธรรมความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักใหญ่ไม่ทอดทุละในหน้าที่การงานที่ตนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตนในส่วนรวมไม่เช่นนั้นจะเป็นแบบฉบับของโลกไม่ได้ถ้าศาสนาเป็นเหมือนโลกโลกก็เป็นเหมือนศาสนาไม่มีใครสนใจจะถือธรรมะ พุทธังพมังสนางภาษะะคัาชามิไม่มีใครกล่าวถึงและไม่มีใครนอบน้อมเพราะไม่ผิดกันอะไรกับโลกกับเราพระพุเทธเจ้ า, พ ร, าพระธรรมประสงค์เหมือนกันกับเราไม่แปลกอะไรกันนะเท่าที่แปลกเท่าที่โลกได้กล่าวว่าบูชาและเล็งถึงอยู่เสมอนเพราะธรรมมีระดับอันสูงยิ่งยวดไม่มีอะไรจะเทียบเท่าแล้วพุทธะก็คือท่านผู้มีความขายันหมั่นเพียรที่โลกสู้ไม่ได้นั่นเอง มีความกล้าหาญมีความเฉลียวฉลาดรอบตัวมีความมั่นคงมีความไม่ท้อแท้อ่อนแอนี่เรื่องของพุท ธ, ธะผู้จะเป็นพุท ธ, ธะขึ้นมาคือผู้ดำเนินหยางนี้ต่างจากโลกทั้งหลายอย่างนี้คือผู้เสียสละเพื่อจะเอาสมบัติที่เรียกว่ามหาสมบัติขึ้นมาภายในใจ ได้แก่โลกุตระสมบัติหนึ่งเียนั่นเมื่อพระพุทธเจ้าแตกจากโลกโลกต้องยอมกราบทางด้านความเพียรก็โลกสู่ไม่ ไ, มไ ด, มด้ความเทียวฉลาดความบ่อยฝึกทางใจก็โลกก็ต้องยอมกราบธรรมะที่หลุดลอยออกมาจากพระทัยพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้ามาสแสดงก็โลกโลก ก, ลสสโลกก็ยอมกราบสงฆ์สาวกก็ดําเนินตามรล่าลอยของพระพุทธเจ้า องค์ดำเนินอย่างไรสาวกก็ดำเนินตามจึงกลายมาเป็นสาานะของโลกได้หากว่าสถานะของโลกกับพวกเราให้ผิดแตกอะไรกันเนี่จําเป็นอะไรจะต้องกราบต้องไหว้เคารพบูชานะเราต้องอคิดเราถือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสมบัติของเราเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายเราแล้วเราต้องคํานึงถึงทางเดินของท่านท่านเดินหนึ่งอะไรพระธรรมี่ไว้อย่างไรพระสงฆ์ท่านดําเนินอย่งไรต้องน้อมทํานะ พระตาลนาตรายทั้งสามนีเข้ามาไว้ที่หัวใจแล้วดําเนินไปตามไม่ต้องขอดุละไม่ต้องกลัวกลัวตายถ้าเป็นนักปฏิบัติเพื่อจะบูชาพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องความตายอยู่ที่ไหนก็ตายคนขี้เกียจก็ตายคนโง่งก็ตา ย, ค น, ตายคนฉลาดก็ตายคนมั่งคั่งสมบุญบริบูรณ์ด้วยกัวรั้วสมบัติก็ตายคนจนจนก็ตายแต่ความตายนั้นต่างกันเราอยากให้ตายแบบธรรมดาที่โลกตายกันอยู่แต่ให้ ตายด้วยความภาคความเปลี่ยนตายด้วยความขยนันตานด้วยหลักด้วยอาต้วยธรรมตายด้วยความบริสุทธิ์หมดจดภายในใจนี่จะเป็นที่แน่ใจตัวเองและชื่อว่าเป็นผู้ทรงพระศ า, าสนาจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองสำหรับตนด้วยและจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองสำหรับโลกให้ได้รับผลประโยชน์จากเราพูดมีความมั่นคงเต็มที่แล้วด้วย ภานาะดูเรื่องของตัวมาตลอดเวลาไม่ทราบเรื่องของตัวนี่ก็อัศจรรย์เหมือนกันการสอนหมู่เพื่อนมาก็จะหมดสติปัญญาซะแล้วเวลานี้ไมาเห็นอะไรมีแววบ้างถ้าไม่นั่งหลับอยู่ต้องรู้ถ้าไม่เดินอยู่แบบชาวบ้านเขาเดินมือสัตว์ทั้งหลายเดินนั่นมันต้องรู้เดินด้วยความมีสตินั่งด้วยความมีสติพิจารณาด้วยความด้วยอัดด้วยธรรมต้องรู้เรื่องของธรรม ที่มีอยู่ภายในใจและรู้เรื่องจริงที่เป็นค่าสิบภายในใจมีทางจะแก้ไขกันหนักทีรศพระเพทที่เคยอธิบายให้ฟังมีมีอยู่ทุกท่านและครูอาจารย์ที่ท่านสอนเราท่านก็เคยมีมาเป็นประจำเหมือนกัน ท่านทำไมท่านแกได้พระพุทธเจ้าหลวท่านทำไมท่านแก้ได้ท่านแกเพราะอะไรถ้าเราจะต้องการของดีต้องหาผู้ดีมาเป็นคติมาเป็นเครื่องพยุงจิตใจเราเราจะหาผู้ต่ำขวาเราหรือหาเอาแบบเรานี่ไปใช้แบบเรานี่มันแบบขี้เกียจแบบเรานี่แบบไม่มีธรรมะเป็นเครื่องปกครองเราต้องหาธรรมะมาปกครองใจของเราเราจะกลายเป็นแบบหนึ่งขึ้นมาภายในคนคนเดียวนี้ ทำสมาธิเราได้ยินแต่ชื่อมาเป็นเวลานานจนชินใจแล้วถึงกับจะหมดความสนใจต่ อ, อการทำสมาธิความจริงสมาธิที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรขุดค้นลงไปให้สมาธิปรากฏขึ้นมาลองดูสิจะแปลกประหลาดจากคนคนนี้อย่างไรบ้างจากใจตรงนี้อย่างไรบ้างเราจะเห็นด้วยเราไม่ต้องไปพูลถามพระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์องค์ดๆจะรู้ภายในใกไม่ ว่าสมาธิขั้นใดสมาธิคั้นยาขัญญา้นกลางขั้นละเอียดจะต้องปรากฏขึ้นเพราะผู้รับรู้ในเรื่องของสมาธิทั้งสามนี้มีอยู่กับใจคือผู้รู้ดวงนี้ปัญญาถ้าเอ่นําออกท้ายคิดคน้นจริงที่จะเป็นเป้าหมายซึ่งเราจะพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญามีอยู่ทั้งภายในภายนอกส่วนร่างกายทั้งหมดก็เป็นเป้าหมายของปัญญาเวทนาสัญญาสังขารนิญาณแต่ละอย่างละอย่างเป็นเป้าหมายของปัญญาจะจดจ่อพิจารณาเจรไนหรือขี่คลายออกดูให้หมด ได้ทั้งนั้นข้างนอกก็มีข้างในก็มีนอกจากจะเอาปัญญาฝังไว้ในดินเท่านั้นเนี่ยไม่ขุดค้นขึ้นมาใช้ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเราจึงกลายเป็นคนโง่ไม่สามารถจะตอบถอนตนเองได้ด้วยความฉลาดเพราะเราไม่ไมไมนําปัญญามาใช้นําแต่ความขี้เกียดขี้คลั่นมาใช้วันยังขํามคืนยังลุงจะหาความฉลาดแยบคลายมาจากที่ไหนนั้นก็ได้ยินแต่ชื่อเท่านั้นที่คําว่าปัญญาปัญญา ปัญญาคือความฉลาดเราเป็นผู้ฉลาดและรู้เรื่องของเราแก้เรื่องของเราความพ้นทุกข์ไปจากสิ่งที่มากดขี่บังคับจิตใจเรายอ่ยอมพ้นไปทุกวันทุกวันนี่เรื่องของปัญญาเป็นอย่างนั้นผู้ที่ดำเนินทางปัญญาต้องรู้เรื่องสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวแต่ส่วนญยาส่วนกลางจนถึงส่วนละเอียดสุดแม้จะถึงมิมุติภวิภานต้องอาศัยปัญญานี้เป็นแักสำคัญนี่เราจะไม่ต้องไปถามใครขอให้ขุดค้นลงไปดู ปัญญาเราจะหุงต้มแกงกินไม่ได้ไม่ใช่ทักไม่ใช่ยากไม่ใช่อาหารการบริโภคแต่เป็นเครื่องใช้แก้ทิเรศปัญหาซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราท่านให้ชื่อว่าเป็นข่าตึกสิ่งเหล่านี้ปัญญาเป็นคู่ปรับกันแก้ไขกันความโง่จะเอาความโง่ไปแก้ความโง่ไม่ได้ต้องเอาความฉลาดไปแก้ความขี้เกียจก็ต้องเอาความขยันเข้าแก้ความโง่หงาห้องนอนก็เหมือนกันแล้วจะเอาความหลับไปแก้มันก็หลับมันยังขําคืนยังลุ่ง่แต่ว่าไง พระอุปคุตท่านปราบมารทรามะเน่ปราบแบบเรานี่นะท่านปราบมารภายในใจของท่านได้มารภายนอกท่านก่อปราบได้ทรามะเนี่ยปราบแบบหกคำเมนเทนแทตกลงกุฏิเหมือนเรานี่ยนะนี่ได้ความอะไรนี่นจะพระอุปคุตอะไรนี่นี่สร ด, ดสังเวชนาะได้ยินอย่างนี้นะมันถึงใจจริงๆ มโง่ขนาดไหนนี่ภาวนาจนนั่งหลับ ย, ย, ยังมาแล้วยังตกกุฏิลงไปอีกนี่ว่าไงเราจะหาความชนะ่ะขายมาจากที่ไหนเมื่อจิตมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราไม่พยายามฝุกผลตนเองแก้เท่านี้ไม่นด้เราจะเอามาผลนิพพานที่ไหนมีตายทิ้งเปล่าๆนั่นแล้วยินแต่เชื่อปัญญาปัญญาไม่ทราบว่าปัญญาเป็นอย่างไง ถอดถอนที่เเด็กตัวเองเพีย น, นิดหนึ่งก็ไม่นานนอนตมกันดูจะหาความสุขความสบายจากใจมาแต่ที่ไหนไม่นีอยู่ที่ไหนก็ร้อนทามีสิ่งที่ร้อนอยู่ภายในใจแหละจะไปนอนแช่น้าก็เย็นแต่ส่วนร่างกายใจต้องร้อนถ้าใจมีทาอยู่ที่ไหนก็เย็นยี่งมีทำหน่อเลี้ยงอย่างบริสุทธิ์แล้วอยู่ที่ไหนก็เย็นหมด ต, ตื่นตาสบายทั้งนั้นอุป น, นิสสงที่เกิดขึ้นจากความขยันหมั่นเพียรต้องนำไปพิจารณาเรื่องอย่างนี้มันมีได้ด้วยกันม่จากตาหนิคนนั้นไม่จากตาหนิคนนี้พูดถึงเรื่องที่มันมีอยู่ด้วยกันทั้งเราทั้ง่านเรื่องที่เล่ามานี้แล้วก็สอนทั้งอุบายวิธีแก้ไขไม่ถือว่าเป็นการตําหนิ ไม่ถือว่าเป็นการเหยียดหยาม ถ, ถูกกันในทางหลักธรรมนำมาพูดเพื่อให้รู้เรื่องและให้รู้วิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่มีอยู่ทั้งท่านในเรามันสบายจนเกินตัวมันมนหลับได้ลองดูสิลองแดบที่ว่าเอามันจะหลับได้จริงๆหรือบ่ นั่งมันสักกี่ชั่วโมงไม่ควรกินก็ไม่ต้องกินกันอามันมันจะหลับได้จริงๆเลยนั่นแหละวิธีทรมารวิธีหนึ่งที่เหมาะที่สุดสําหรับเราซึ่งกําลังอยู่ในฐานะเช่นนี้มันจะกี่ชั่วโมงมันจะหลับได้จริงๆเลยมันเหนื่อยมันก็ตื่นเท่านั้นสิเอาตื่นขึ้นมาก็ไม่ลุกค้อนดูเรื่องของความทุกข์ความห่วงอีกทีอืม จะได้เห็นทุกสตทีนทุกมันเกิดขึ้นจากที่ไหนปัญญาอย่างลงไปถ้ามันเห็นเรื่องของทุกทั้งทุกส่วนกับส่วนกายทั้งทุกส่วนใจถ้ามันเห็นหมดนี่เป็นอุบายวิธีอันหนึ่งคือความง่วงเหงามันจะเก็ดหลาบสตทีนมันอยู่กับเราเราแก้ไขได้เคยเป็นมาเหมือนกันแต่มาถึงกับป ก, ปกติเป็นเหมือนกันนั่นแหละ อ้ น, นี้คิดมันเป็นยังไงไม่ทราบนั้นทาลงไม่ว่ายัางไงแล้วมันเหมือนหุ่นผักนะเพราะว่าเอานะวันนี้เท่านั้นแหละจะอะไรมาแก้ไขไม่ได้ทั้งนั้นถึงจะตายก็ไม่ยอมแก้ไขถ้าได้พูดว่าเอาวันนี้นั่งเท่านั้นนะจะเอาเท่านั้นชั่วโมงหรือจากนี้ถึงนั้นอะไรไม่มั่นคงก็ขอให้ขาดไปแต่เรื่องความสัตย์ที่ตั้งวันนี้จะไม่ยอมให้ขาด จนกระทั่งหมดลมหายใจไปในขณะที่นั่งนั้นจิตจะไม่ยอมให้หนีออกนอกทักจธรรมเมื่อได้ทุ่มเทกำลังลงถึงขั้นเอาชีวิตเขาแลกแล้วจะไม่มีกระแสจิตดวงในที่จะไปเท่ยผ่านออกข้างนอกแบบโลกโลกอย่าง ท, งที่เคยเป็นมาแต่จะถูกขนาบกันด้วยความเพียรด้วยสติ บังคับปณิชย์นั้นทุกจะเกิดขึ้นมาก็หาทุกทีเดียวยกมือขึ้นฟังเลยมีทุกขสัตว์มีอยู่ภายในกายของเราวันนี้หรือมีอยู่ภายในใจมีเท่าไรจงแสดงขึ้นมาให้หมดวันนี้เราจะฟังเทศสัตว์อริยสัตว์จะทำทั้งสี่หาควรจะรู้แจ้งแทงตลอดก็ให้รู้ถ้าไม่รู้ก็ถึงวันพรุ่งนี้เช้าเลิกกันเชถีถ้ายังไม่ถึงจะตายก็ขอให้ตายไป แต่เรื่องความศักดิ์นี้จะไม่ถอยนี่เมื่อตั้งขนณำแล้วมานตัวไหนอ่ะตัวง่วงตัวเหงาตัวไหนจะมาเข้ามาแทรกถึงได้แลามาบังคับเราได้มันไม่ง่วงเลยตลอดจนรสว่างมันก็ไม่ง่วงผุดค้นกันลงไปจนเห็นความอัศจรรย์ขึ้นในระหว่างแห่งทุกข์ซึ่งกําลังเกิดขึ้นนั้นเห็นความอัศจรรย์แปลกประหลาดเกิดขึ้นในขณะที่ทุกข์กำลัง แสดงตัวเต็มที่เพราะ อ, อํานาจของปัญญาได้ฝึกค้นลงในจุดนั้นซึ่งเป็นจุดอริยศัจอันถูกต้องตามพระพุที่เจ้าที่สอนไว้ใจจิงกลายเป็นใจที่อัศจรรย์ขึ้นมาได้กัคคีพยานในเวลาชวนตัวเช่นนั้นนี่ก็เลยทรมานมาอย่างนั้นเหมือนกันไม่เช่นนั้นไม่มาพูดให้หมู่เพื่อนฟังด้วยความโกหกจะโกหกกันไปทําไมไม่เป็นประโยชน์บวชมามาในบวชมาเพื่อการโกหกพกลมปฏิบัติมาไม่ปฏิบัติมาเพื่อเล่นๆจะเอาคําเล่นมาพูดกันได้อย่างไง สอนกันเล่นๆมีอย่างเลยต้องสอนจริงเพราะทำจริงใหาลูกให้รู้อย่างจริงๆไม่ไม่รู้แบบหลอกหลอนไม่รู้แบบโกหกลองดูที่ท่านนักปฏิบัติถ้าเป็นลูกศิษย์คาถากฎจะให้เป็นผู้ปรากฏเด่นในดวงใจของคนเองแน้วจงยึดหลักข้อปฏิบัติของสุวย้าด้วยความเข้มแข็งเรื่องความอัศจรรย์จะแสดงขึ้นที่ใจดวงกาลัง โงกเข่าเาบาปัญญาหรืออ่อนแออยู่เวลานี้จนได้ไม่ต้องสงสัยธรรมะไม่อยู่ที่ไหนที่เรียกอยู่ที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่นั่นหรือถอนกันเรื่องสิ่งที่เป็นข่าศึกหมาแล้วธรรมะล้นล้นก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มภูมิของใจนั่นคือความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝึกฝุกผลทรมานนั่นที่ในเสด็จนี้ก็เห็นว่าสมควร ขอให้ท่านนักปฏิบัตินำไปที่นี้พี่เจตนาและดําดเนินตนด้วยความเข้มแข็งจะไม่เสียทีที่ยังมาบวชและปฏิบัติในกาศสนามจึงขอยุติทรรมเทือสนาภูมิตรน